เดี๋ยวให้ดูซิเอาให้ดิเรื่องอะไรถามแค่อ่านผ่านดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนวัวใจมันคร่าวๆ ท, ที่ปฏิบัติดูก็คือพยายามกลับมารู้ตัวผู้รู้ที่ว่ามัานคิดอะไร่พูดอะไรภาคอะไรนะคะช่วเวลาหลงตาสอง แต่ว่าก็คือมันมันก็จะไม่แน่ใจบางทีมันพุมสั้นไปหรือกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะผู้รู้มันกลายเป็นผู้รู้ที่พูดได้คิดได้นึกได้ไดบวนได้มีอารมณ์ได้ธรรมชาติของภาครู้หรือผู้รู้เขาคิดไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มีอาการใดไม่ได้ตัวต น, นไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยก็คือจะเข้าใจว่าคือมันพุ่งแต่งอยู่คือเธอรู้แค่นี้เอยปุ่งแต่งมันก็เป็นเป็นสังขารจะปุ่งแต่งไงก็เป็นสังขารสังขารสังขาร ผู้รู้ไม่อาจสังขารได้ผู้รู้ไม่อาจสังขารได้อยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้ที่ไม่อาจสังขารได้ปล่อยวางสังขารั้งหมดทุกข์ปัญหาทิกุกอยางแต่รู้ของคิดเป็นเคลื่อนที่ได้คือรู้มันคิดมันนึกมันติดมันตองได้รู้เนี่ยมีตกกังวลได้รู้นี่มีอารมณ์ได้รู้นี่แจกแจงได้รู้ของคิตเนี่ยรู้มันมันเป็นนาิกิริยาได้มีแอคชั่นได้มีการกระทําได้คือมันมีแอคชั่นตลอดเลยแอคชั่นไม่ใช่ รู้นี้ยที่มันแอคชั่นไม่ใช่รู้เราก็จะผิดไม่ใช่ว่าไปทําให้รู้ไม่แอคชั่นไม่แสดงกิริยาการไม่รู้ที่แอคชั่นได้แสดงกิริยาการได้คิดได้คิดความปรุงแต่งได้ชื่อเหลือตัวเองได้เนียวหลุมได้เป็นสังขารปล่อยวางมันไปเธอสังขารนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นผู้มันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็ไม่รู้จะปล่อยยังไงนะคะหลวงตา มันก็รู้แบบยืดยืดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่เข้าใจก็าจะผิดกัละตัวกันเป็เป็นรู้จริงมันปุงแต่งได้เป็นตัวเราจิตตัวยืดเอาเอารู้จริมันมันปุงแต่งได้มันมีความรู้สึกได้มันมีอารมณ์ได้มีความพยายามได้เป็นตัวเราอันนี้เป็นสังขารสังขารปล่อยวางนี่เถอะไอ้รู้อันนี้รู้ที่มันปุงแต่ได้ช่วยตัวเราเองได้เป็นสังขารปล่ยวางเราจะแท้ที่มาเกิดวิญญาณวิญญาณแท้ที่มาเกิดแต่สังขารไม่ได้มันสังขารอะไรไม่ได้เลยมันเป็นท่านว่าง เป็นไปท่าที่ว่างเปล่าสังขาอะไรไม่ได้ดไดเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจด้วยสมองอนี่ค่ะตอนนี้กำลังอยู่เนี่ยตาก็มองเห็นลุงตาเนี่ยหูก็ฟังเสียงลุงตาต า, ตาก็มองเห็นหูก็ฟังเสียงลุงตาพูดเนี่ยแต่ภายในตัวเราเนี่ยมันคิดมันนึกมันตึดมันตองมันพูดร้องอยู่ในใจพาคอยู่ในใจซ้อนลุงตาตลอเดเวลาไม่มีใครไปทําอะไรกับสิ่งนั้นไม่มีใครต้องไป ค, อ, คอยจ้องดูมันด้วยไม่มีใครต้องพยายามดูมันด้วย แต่สังเกตดีๆมันรู้ได้ว่ามันมีอะไรในตัวเราเนี่ยมันคิดแสกตอนพูดซ้อนกับลุงาภากซ้อนอยู่ในใจตลอดเวลาเลยไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่คิดซ้อนไม่พูดซ้อนไม่ภากเลยไม่พาในใจแล้วเราก็ไม่ต้องบอกพยายามเข้าไปดูเขาไอ้แค่สังเกตหยุดสังเกตยิดเดินก็จะเห็นแล้วว่ามันพากซ้อนลุงตาตลอดเวลาพูดคิดนั่คิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เฮ้ยทำไมเราจะไม่เข้าใจ มันไม่น่าจะกระจายไม่กระจายมันจะเข้าใจายแต่ไห่กระจแล้วก็พูดอยู่นั่นแหละก็ปล่อยมันเไปเพราะว่าไหนภาคได้พูดได้คิดได้ติดตอได้ก็ปล่อยมันปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปแต่ผู้รู้มันไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏกายการใดๆไม่มีใครก็ไปจับไม่มีใครก็ไปปล่อยเพราะนั่งนีาก็เห็นตลอดเรารู้ตลอดแต่เราไม่ไปดูเขาละไม่ไม่เข้าไปจ้องดูเขาแต่สังเกตยิดเองก็รู้แล้ว วมันพูดตอนดวงตาตลอดเวลาเลยสังเกตนั้นก็ไม่เจริญนะตัวสังเกตนนั้มันเป็นมันเป็นในตัวสังขารในขานห้าเป็นสติสมาธิปัญญาสังเกตอยู่เงี่ยบๆเป็นสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งในตัวสังเกตเลยสังเกตอยู่เงี่ยบมันก็เฉ็ยแล้วเนี่ยดวงตาพูดอยู่เนี่ยเราก็ฟังดวงตาพูดรู้เรื่องหูก็ได้ยินตาก็มองเห็นัวงตาอยสังเกตดีๆดิใจข้างในมันพูดสอนภายในใจเราอ่ะมันพูดสอนคิดสอนคิดคิดสอนสอนอยู่แล้วเนี่ยเอ๊เห็นไม่เห็นมั้ยครับนอ่เหรอ ยังไงอืมอืมอืมอืมยังไงในตัวนั้นคือสังขารนั้นแหละปล่อยวางให้หมดไม่เจียงไม่เจียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเหมือนอกว่าพอเห็นพอเห็นแล้วมันก็ไม่รู้จะปล่อยวางไงไม่มีใครไปจับไปวางนี่แต่ว่ามันปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครเข้าไปเสวยไม่มีใครก็ไปยิบมา่นถือมันไม่มีใครไปจับแล้วก็วางไม่มีพยายามไปแยกตัวเราออกจากอะไรนะตัวเราไม่มีดีไม่สามารถแยกตัวเราจากอะไรได้ แต่ว่าเห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่มีใครก็ไปเสเว่ยเห็นอยู่รู้อยู่ทุกข์ทุกข์ปการทุกข์สังขารไม่มีใครก็ไปเสเวยอ่านใจตัวเองให้ขาดอย่างนี้ดังอ่านใจตัวเองไปเรืยเรื่อยเห็นอยู่รู้อยู่สังขารในใจเนี่ยชุดชุดชุดชุมชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดุ่ดีุดว่าชุดชุดชุดชุดชุดชาดุ่ดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุดชุ สังเกตดีๆมันมีตลอดเวลาไอ้ตัวสังเกตเนี่ยคือสติสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งเดียวคืออริยมรรคในองแฝดนะเนี่ยแต่อริยมรรคในองแฝดอนี่ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวในตัวสังเกตเลยเดี๋ยวทิ้ตัวสังเกตแต่สังเกตนี่ก็ไม่ใช่รู้พอสังเกตเนี่ยมันคือสติสมาธิปัญญามันเป็นสังขารในขันธ้ามันยังไม่ใช่รู้พอแต่สังเกตปุ๊บมันก็เลยรู้ทาไมสังเกตมันก็ไม่รู้แต่ตัวสังเกตเนี่ยสติเนี่ยมันไม่ใช่รู้ แต่พอมันมีสติมาเรียนรู้ออกไปในใจเราเนี่ยมันคิดนึกติดกองพรงแต่งมันภาพซ้อนพูดซ้อนเหงื่อตาตลอดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างันอยนี้นี่อย่างนี้นอย่างนั้นนี่อย่างนี้อทําไม่ระวังไม่ได้เห็นเลยเหนไม่เห็นอะไรนะนเราก็บ่นพูดอยู่ด้วยเนีูยไม่ทำอะไรแล้วนะเลยไปแค่รู้แค่แค่ต่อไรู้สติอยู่ที่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ไหนสติอยู่ที่นั่นสติกับความรู้อยู่ด้วยกัน เราสังเกตสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจมันก็จะรู้หมดเลยว่าในใจเนี่ยมันพูดซ้อนภาพซ้อนเห็นอะไรได้ยินอะไรกมาพูดออกมาภาพเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กินอะไรไกินอะไรอยู่ร่างกายสัมผัสอะไรมีอารมณ์มีอาการอะไรไสในใจรู้ปุ๊กมาภาพออกมาภาพออกมาพู ด, พพดสังเกตดีๆเลยอยู่ตลอดมันมีอยู่ตลอดมีไห ม, มเห็นหมั้ยเนี่ยเห็นค่ะไม่เห็นไม่ได้ทําอะไรเราลนะปล่อยเขา ปล่อยวางเขาตลอดเวลารับรู้ด้วยความปล่อยวางตลอดเวลาไม่ได้ไปทำอะไรเขาหรอกตังขาน้ำมดมันก็จะพบใจที่ไม่สังขานใจที่ไม่สังขานเนี่ยคือผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่สังขานไดน้คือใจใจแบบวิญญาณธาตุแท้เลยจิ ต, แ, ตแท้ใจ แ, แท้ดังเลยแท้เราต้องไปปล่อยไปทำกิริยาการปล่อยวางละอะไรอ่างเแค่นั้นเนี่ยใจมันเงียบสงบธรรมาชาติเลยเหมืนเงียบสงบจปต้องธรรมาชาตินั่นแหละเขาเรียกจริงเรียกว่าใจเนี่ยเป็นหนึ่งเดียกวกับธรรมชาติ จิตความว่าเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธชาติเนี่ยสงบสงัดเป็นอย่างไรไม่ได้ต้องไปจ้องรู้ไม little, huh? ่ต้องจับพงปล่อยต้องวางอะไรเพีแต่มีสติสังเกตนิดนึงก็เห็นได้รู้ได้เนี่ยเราก็อยู่นี่เราก็นั่งเองสิจิตที่มันคิดพูดตอนในใจมันเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเล่กับเวทนาสัญญาตั้งขันธ์เจตสิกนี่ก็อันหนึ่งจิตที่มันพูดอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยนี่คือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมกับเจตสิกเวลาสัญญาตั้งขนตลอดเวลาอันหนึ่ง แล้วการตัวสังเกตตัวสังเกตก็คือสติสมาธิปัญญาในขัน5้อาศัยเป็นเรือท่าผ้าไปปฏิพัติก็ต้องสังเกตก็งเกตที่ไหนก็สติสร้างที่ใจดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายสัตสว่าสัตวสว่าสัตว์สวรู้สตว์สวรู้ไอตัวสติสติเนี่ยทาไมเรียกว่าสติก็มีสติสังเกตอยู่มันรวมหมดเลยสมาธิรวมทั้งปัญญารวมทั้งธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าเนี่ยระบุคำตันทิติธรรมวงศีเจ้งหวัดบุญการ จนกว่าสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติมีสมาธิมีปัญญาอสติอันเดียวสติอันเดียวอันสติสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันพอมีสติปุบมันกรวมสมาธิรวมปัญญารวมอย่ในนั้นหมดเลยรวมธรรมในนั้นด้วยสังเกตหน่อยหนึสังเกตที่ไหนสังเกตสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจค่อยวางที่ใจแต่สติเนี่ยมันยัผู้รู้แต่ของสติเนี่ยมันตั้งที่ใจมันไม่ไปตั้งที่สิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราได้กินสิ่งที่เรากิน สิงที่มาสัมผัสกายไม่ไปตั้งที่อาการของใจแต่แต่ตั้งที่รู้ตั้งที่รู้ตั้งที่ใจใจแน่รู้รู้เคลืนที่ไม่ได้ไม่ปรากฏตัวตนรากฏอะไรเลยตั้งที่รู้มันก็เลยรู้แต่เนี่ยมันก็เลยรู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นตับในใจนั่นก็สกแต่ว่าแต่ว่าก็แตว่าไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ไล่อะไรนะก็เป็นใจที่สงบสังัด กลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่แม่ปูกแต่งคือความว่างแต่กรว่าความว่างธรรมชาติมันก็เลยเงียบสงบสงัดเลยทั้งธรรมชาติเลยแล้วก็ในความเงียบความสงบสงัดเนี่ยมันก็มีขนาดใจแล้วก็เอ้ยหนึ่เงียบแบบนี้เอ้ยทำไมสงัดนี้เอ้ยเราไม่เห็นนี่คนไหนไม่สงัดก็เราไม่เงียบเอสงบสงัดแล้วก็พูดมานย่างนี้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไช่ทำไมเราทำไรกันนะจะพูดยังไงมันจะ่าใจว่ามีใครไปทำไรเัาจใจไม่ไงก็คือตรงนี้เราต้องต้องให้จิตกันตั้งมั่นสอนเรื่องก่อนใช่ไหมคะ เวลาฟังก็อย่างฟังหลวงตา ก, ก, ก็เห็นก็เห็นไอ้ที่ว่ามันพูดพูดพู ด, พดเนี่ยคะ่ะคือที่หลวงตา บ, บอกว่ารู้แล้วปล่อยวางหมายถึงว่าพอเห็นแล้วก็แค่เห็นมันพูดอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ <S <S เห็นมันพูดแล้วยังไงอีกอแค่นั้นแค่นั้นแค่เห็นจริ่เห็นหร<ๆ>อจับไมเห็นแตร่ตรู้แต่ไม่รู้ แล้วเวลามีกิเลสอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับว่าเราเห็นความอยากเห็นอะไรเงี้ยแล้วยังไงต่อไม่ตามใจก็คือไม่ตามใจไม่ตามใจความคิดการพูดการกระทาเราก็ไม่ตามใจแต่เราก็รู้ไปว่ามันเกิดอันนั้นแต่ในในแง่การกระทำก็โอเคค่ะไม่ตามใจรู้ก็เกิดอยู่แต่ไม่ตามใจเพราะใจมันมีอาการไม่ได้ค่ะไม่ไม่ตามใจต้องมีปัญญาด้วยนะมีปัญญาเห็นว่าใจเนี้ย ใจหรือผู้รู้มีอาการไม่ได้ไอ้ที่มีอาการต่างๆไม่ใช่ใจเป็นสังขารทั้งหมดปล่อยวางหมดเสียปล่อยวางเสียปล่อยวางหมดเสียก็มีปัญญาปัญญากำกับแบบนี้เลยสงสัยอะไรแต่สงสัยจะทําได้ไงใช่ไหมถ้ามันมันไม่สามารถที่จะมีปัญญากำกับอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นถ้าเรามีปัญญากํากับตลอดเวลาเราก็ยิมีปัญญากำกับตลอดเวลาเลยว่าเนี่ยสังขารทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่ใจไม่ใช่จิตเดินแสไม่ใช่ปัญญาแน่เดินแสสังขารทั้งมวลสังขารทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของคงแป่ถูกทิ้งแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไป ปล่อยวางให้หมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราแท้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราที่คิดนี่ติดตอคงแต่งได้ผู้ได้นะเราแท้แท้คือวิญญาตั้งวิญญาตั้งเดินมาแท้จิตั้งเดินก็แท้หรือใจตั้งเดิมาแท้ที่มาเกิดเนี่ยเป็นของว่างเปล่าเนี่ยว่างเปล่ามันธรรมชาติคิดไม่ได้ไม่ติดตอไม่ได้แแฝแกงก็ได้ในกิริยาการอะไรก็ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราไม่อาจจะทาอย่างนั้นได้สติมั่คอยขาดปัญญาไม่คอยกากับสติเราก็พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุ ทุกเรียบบทอจะเนื้อนั่งนอนดื่มกินเข้าน้ามังวัติพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็คอยสังเกตให้ดีสังเกตตัวเราพูดพุทโธตลอดเวลาเลยว่าตัวเราอะผู้บริการพุทโธมันคิดไม่จุดองว่ายังไงคิดไม่องคิดไม่องคิดไม่จุตองมันจะคิดไม่ด้องตลอดเวลาเลยตัวเราผู้บริการพุทโธแม้แต่พุทโธพุทโธอยู่นะบางคนบอกว่าเอ้าพุทโธแล้วมันจะคิดได้ไงพุทโธมันจิตอได้ขาดมาู้ดได้ เช่นพุทโธพุทโธพุทโธใจมันนึกให้เราไม่แต่พุทโธอยู่นั่นนะกันึกเช่นผูกก็ผิดเ่ยพุทโธอย่างเงี้ยพุทโธอย่างนี้บางคนพุทโธอย่างนี้จะได้อะไรพุโไปเรื่อยๆแล้วไปจบที่ไหนจะได้อะไรแต่กบพุทโธไปเรื่อยพุทโธพุทโธแต่ก็เอ้ยพุทโธเราจะไปได้อะไรแล้วพุทโธจะไปจบที่ไหนพุทโธแล้วมันจะไม่เห็นไม่ได้อะไรเลยพุทโธพุทโธพุทโธเราพุทโธผูกโ็ผิดเนี่ยมันผิดก็ผูกมันึกอยู่นั่นแหละขณะที่พุทโธอยู่นั่งก็นึก นั่นแหละไอตัวเราที่มันมันนึกๆึกๆๆอยู่ในใจนั่นแหละนั้นแหละเห็นเห็นว่าไอตัวเนี้ยไอตัวเราที่มนึกๆึๆึอยู่ในใจที่มันติตแทก่อนูดโทเนี่ยให้มีวติปัญญากำกับตลอดเวลาวะปติปัญญากำกับนะ ไอ้ตัวเราที่พูดได้ที่มันนึกได้ที่มันรู้สึกได้ไอ้ตัวเนี้ยเป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันติ็สิ่งไดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตัวตนไม่มีมันนของไม่เท nah. ี่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราไปวางไปทั้งหมดเราจะแท้แน่แน่คือวิญญาณแท้ที่มาเกิดหรือจิตจะแท้หรือใจจะแท้ที่มาเกิดไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่มีรูปพันธสัญญาใดแต่พอมาเกิดเราจะมีรูปพันธสัญญาแตกต่างไปเป็นคนรุดว่านาตานแตกๆไปเรื่อยเปลี่ยน หน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยเป็นเตเป็นรูปพฤติกรรเป็นสัตว์เรเป็นเทวดาหรื่างเปลี่ยนไปเรื่อยแต่วิญญาณหรือว่าจิตเดิมแทรหรือใจจะแทเนี่ยมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายไ ม, ม่อาจใคร่ฆ่ามได้นะนิพพานก็ข้าไม่ตายนิพพานฆ่าได้แต่กิเลสกับความทุกข์แต่นิพพานฆ่าจิตเดิมแทไม่ได้เพราะว่าโซโซจิตเดิมแท้ไม่มีจิตเดิมมาแทหรือใจเดิมแทรหรือวิญญาณทั้งเดิมมแทที่มาเกิดนั่นต้นมีโซโซมีรูปร่าง แต่ถ้ายังเป็นอาวิชามายึดมาสืบมันอยู่มันก็ไปยึดเอาไว้ตัวที่พูดได้บนได้ที่มีอารมณ์ที่คิดถูกต้องได้เป็นตัวเราตัวเราตัวเราสิมาเอาไว้ตัวเราที่มีความรู้สึกอย่างงุ้นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างงั้นอยากให้เป็นอย่างนี้จะยามไปแทรกแทงงุ้นไปแทรกแท่งนี้ไปยุึดอย่างงั้นไปยึดอย่าง น, น, างนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นตัวสังขามุงแตงเราต้องมีปัญญากํากับเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วเราก็พุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็อ่านใจตัวเองอยู่ตลอดเวลามีนี้ได้ไหมพยายามอยู่กกัััับอสสติมชญทาางยยนี้้้ดดวไค 嗯เออสมัมปชัญญะต้องมีอยู่แล้วสมัมปชัญญะคือรู้ตัวทุ่มพร้อมทํางานไม่ผิดพลาดนี่คือสัมปชัญญะเราพุทโธพุทโธแล้วรู้ตัวเราที่พุทโธมันพูดอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาเลยนี้เรียกว่าสติสมาธิปัญญาส่วนสัมปชัญญะนี่คือเรารู้เนี่ยทํากิจการงานใดก็ต้องรู้สิ่งนั้นในม่ผิดพลาดทางานไม่ผิดพลาดนี่แหละความมีสมัมปชัญญะแต่ก็แอบมีสติเนี่ยสังเกตที่ใจตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจไล่ใจสังเกตที่ใจไปวางที่ใจตลอดเวลาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่่ไมิ้งรูเลย